แต่บัดนี้ท่านนิพพานไปแล้วเราก็ยังเป็นประาเทวีมาเฝ้าท่านอยู่เฝ้าเพืรับฟังโอวาทที่เราตรวจมนต์นั่นแ่ละเป็นคำโอวาทรับฟังอันนี้ฟังเป็นต้นเนี่ยเป็นโอวาทแต่เราทั้งหลายที่น้อมนึกไว้ประทับใจในการสวดสายายมนต์ดนราคาถาธรรมวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระธรรมเจา้าพต้องฆ์เจ้า และน้อมมาปฏิบัติธรรมในตัวเราเลือกไปทำวัดไม่จะเอาเมื่อกับขวานมาช่วยกันทานแต่เอามาผกามูอใจเราน้อง น, นี่ซึงปเป็นผู้ธะบัดมือติดเรามาว่าจำเป็นเราจะต้องเขา้าฝ่าของพิ จ, จ้าของพกเราเพื่อาสยาธาแึ่งขยันทำสอนของท่านระลึกถึงพระคุณของท่านที่สันติพพานไปที่ไหนแล้วก็ยังฝากข้าทำวินัยให้จเราปฏิบัติ ่าผู้ใดรักสถาคดบูชาสถาคเพื่อปฏิบัติธรรมนั่นแหละถูกต้องฝากธรรมวินัยไว้กับทุกสบรยใจแล้วจงช่วยการรักษาช่วยกันปฏิบัติก็ไปเถิดเรียกว่าทมวัดตรวจมอดขอฝากขั้นไว้ทั้ง้งหลายไว้ข้งนี้ตอนนี้ไปก็จะได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าของเราในด้านลูกประธรรมและนามธรรม ในกิจกรรมของเราสืบไปน้อมน้อมจิตใจมายังพักตพุทธเจ้์ปฏิมากรรมปรเปรียบเหมือนมือทั้งโมคลาจาริบุตรครบในที่ประทับนี้สืบไปณโอกาสบัดนี้ที่เราได้มาเกิดมนภาวนารับกรรมฐ า, านเพื่อบำเพ็ญศีลที่รับสินงแล ส่นเพลงประโยชน์คือเทกธรรมฐานดับทิงจิจภาวนาแนวทางสติติฐานคือของพระพบิดจารพวกเรานั้นวิธีปฏิบัติเบื้องต้นของการปฏิบัตินี้เนี่ยยึดแนวหลกักสถิตเป็นตัวสันพันสติติฐานคือก็มีสี่ข้อ สำหลักผู้ปฏิบัติทำใหม่ยังไม่เข้าใจแนวปริยัติและข้อปฏิบัตินี้ก็อสามตรงท่องความหมายนี้ไว้ก่อนตัวาก า, ายานิ้กัจนาปฏิปทาทนข้อที่หนึง่งหมายความวาอะไรมันจะแปลกลับว่ า, ากายในกายนี้กัจฉวกายไม่มีตัวบุคคลเราเขาเป็นก า, ายานี้กัจมาเป็นก็อ แต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วนะให้เอาสติเอาจิตทช่องดูกายยืนเดินนั่งนอนเหลือซ้ายแลกขวาจะคู้เหยียดีขาต้องถือตามพรือใช้สตินี่เองดูร่างกายชั้งขาต่างๆเป็นก้อนอันนี้เรารู้ไว้เบื้องต้นก่อ น, อนข้อหนึ่เงเวทน า, านิกอดชนะติดฐานข้อที่สองเราจะได้ทาบเอาเวทนาที่ไล เวทานาแปลว่าทนไม่ได้บัญชาการไม่ได้ก็เป็นตามสภาพนี้ถ้าเป็นเป็นมธรรมชาติไปนี่เทอะไรเวทานาแปลว่าอะไรไม่อยู่สามประการมีกันเวทานาก็อหนึ่งได้แต่ทุกก็เวทานาทุกก็เวทานาเดือดขาเวทนาทั้งสามประการนี้ จุดมุ่งหมายก็ต้องการที่จะให้สติไปเจทนาเวทนาในนั้นเพ่นดีใจก็ดีเรียกว่าสุกกายสุกทางกายสุกทางใจอันนี้โลกสุกแล้วก็ทุกกายทุกใจเรียกว่าทุกทางด้านกายใจเรียกว่าทุกเวทนาอุเบถาเวทนา ก็เรียกว่าไม่ทุขไม่ทุกข์จิตใจที่มักจะเลื่อนลอยหาที่เกาะไม่ได้เรียกว่าอุเบกขาเวชนาวิธีปฏิบัติจะต้องใช้สติกําหนดคือตั้งสติเลิกได้เป็นต้อมดีใจก็ให้กําหนดกําหนดอย่างไรหรือกาหนดที่ลิ้นไส่หายใจยาวๆจะสมูทถึงสะดุ้ได้ หายใจขึ้นลงยาวๆกาหนดว่าดีใจหนอดีใจหนอทําไมต้องปฏิบัติเช่นนี้เล่าะคําว่าดีใจและสุดใจสุดใจนั้นเหลือก็ทุกข์อึดทุกเจือไปในความทุกข์อย่างนี้เพื่อความไม่ตรมาของชีวิตของเราจะต้องรู้ร่วงน้ารู้ในปัจิบันในการกําหนดเป็นการกำหนดที่ลิ้นตื่ บางคนบอกให้กำหนดที่หัวใจถูกที่ไหนหัวใจอยู่ที่ไหนจะการใดอันนี้ผู้ปฏิบัติยังไม่กรงรับรู้วิชาการถึงในบทปฏิบททัติตรงนี้ได้ไอ้ลิ้นตนื่นมาเป็นหัวขั้วไม่ปลื้มพลาดไปขโม่ทุกคนไปแปรภาตุการปฏิบัตินี้นะ่ะไม่ใชการวิจัยไม่ใี่ประเมินผลแต่ตป็นการให้ผุกขึ้นมาเองโดยปกติ ธรรมดาเนี่ยมันสายสะอาดปุูกขึ้นมาได้รู้จริงรู้จางรู้ฝัดจัดฟังเรที่ตัดโพกันดู่คือให้รู้กันมาเองทำมารู้เองเนี่ยทํายากรู้ชาการพทำง่าหาไม่สือท่อได้ข้อได้แต่รู้เองให้มันสายสะอาดขึ้นมาเนี่ยรู้ได้ทำไมจะรู้ได้ง่ายก็ของปฏิบัติขึ้นมาดีใจเสียใจ มีความสุขกายสิตใจอย่าประมาทเลยเล่ น, ลนนะต้องต้องกางสติทุกอริยบทความคำนัดคำนดจิตนี่หมายความว่าให้ตั้งสติเป็นวิธีปฏิบัติสำมะชัญญะมีความรู้ตั ว, วอยู่ตลอดปัจจบันอย่างนี้เป็นตอนถ้าดไาาไีไม่เอาอนาคตหนียมาเอาปัจจุบัน ท, ที่มันเกิดขึ้นอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้โดยข้อปฏิบัติงา่าย ชาตียใจมีความพุกกายพิตใจมีอสองหลังพุกทางกายพิษทางใจแต่อะไรมันไม่อยู่ที่จิตใจเลยมันอยู่ในข้อนี้จึงก็คำนอบจึงพึ่อเสียใจหนอเสียใจหนอหายใจลึกๆยาวเสียใจเรื่องอะไรเป็นการต้อนขออมูลไว้ให้จิดต้องให้สตินี่ระลึกได้ ก็หมายตัวแจงงานหมายเหตุที่มาของทุกตัวสัมปชัญญะเป็นตัวบอกให้รู้ให้มีความเข้าใจเรื่องความย ญ, ญารู้ทายทานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนั้นเองเพราะเรานี่จึงต้องขมวดที่เวืนานี้ปวดเมื่อยเป็นเวืนาทางด้านกายแต่ฉุดอดต่อกาะอุตาทานยึดมันมันก็ปวดใจไปด้วยเห็นเราเสียใจ ร่างตายไม่ดีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคภัยไข้เจ็บผุดมันก็ของที่เจ็บนั้นจึงต้องให้กําหนดนเนี่ยเพี่งฟ้ามเมตตาเพื่อความเปวิธีเป็ปฏิบัติก็กําหนดเรียนนานานั้นัวดวทั่วเทากลัวที่ไหนก็ตามต้องการกําหนดให้ครัวกําหนดนี่เป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวระลึกเอาผุดไปสูส่จุดนั้นจะดูคาถายิ่งมั่นหวอน ว่าเราจะก้าวมันไดก็ต้องเกาะยดึดเราจะก้าวต่อไปก็ต้องปลอง่ อ, อยาานี่อีกฝากทางสมาธินี่เรียกว่าสมาธิสมาธยึดก่อนแล้วก็จะปล่อยไปก็เป็นเรื่องเป็นนิยตจนาเป็นต้มนีเราจะค่าจริงถึงจะเป็นนิยตจนาขึ้นมาแต่ไพยหล้างเพระฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องใส่จนี้ต้องคำนด ส่วนใหญ่ไม่เคยกำหนดกาจรจึงไม่รู้เรื่องราวอะไรอย่างนี้เป็นต้อมีความหมายอย่างนั้นม่ควาสุขทางไหนก็ตามเดี๋ยวก็ทุกข์อื่นมีอย่านั้นแก้ไม่ได้เพ่ออย่างนี้เธิที่ไหนต้องแก้ที่นั่นไม่แก้ไปแก้ที่อื่นหาเหตุที่มาของมันถือกระตื้กระตืนี่เป็นตัวกำหนดเป็นตัวหาเหตุเป็นตัวแจงเรื่อบอกให้รู้มาทั้หอน ตัวสรรมัญญารู้ทั่วรู้นอกรู้ในนั่นแหละคือตัวปัญญาความรู้มั้นเกิดขึ้นตัวสมาธินี่ก็หมายความจับจุดนั้นให้ได้เป็นเรือชนะปวดเมื่อยเป็นอปจักรต่อการปฏิบัติมากถึงกล้องกําหนดไม่เฉยหมายความกําหนดแล้วมันจะหายปวดแต่หาไม่ได้ทองการจะใช้ขตืไปทั่วพุมรู้จุดที่มันปวด ก็าปวดนี่เราไป ย, ยึดมันจิตก็ไปปวดด้วยเลยก็กาบการให้เกิดทุกใจขึ้นมมเพราะอุปาทานไปยึดขึ้นมาอย่างนี้เป็นข้อสวดมุ่งหมายก็ต้องการไอ้กสติไปดูไปควบคุมจิตว่ามาันปวดมากแผ่ไหนเป็นระการใดสวดมุ่งหมายอยันนั้นมีความหมายอย่างนั้นกูเบขาเวชนาไมุ่ดไม่ทบใจก็ลอยหาที่เกาะไม่ได้ ใจก็ลอยไปละเมอมองหุ่คนไปสองคนไปละจุงก็อําหนดวณเบรขาเวทนาคำนดที่ไหนกําหนดที่ลิ้นเสียหายใจยาวๆลึกๆสบายๆแล้วก็ตั้งสติระลึกก่อนกําหนดณรูหนอรู้หนอรู้หนอพอเราสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดยครบ ตอนพ้อมูลหลังนี้เรียกว่าปอนข้อมูลมันรู้หนอรู้หนอเดี๋ยวสติก็รวมยึดมากในคิดจิดก็จันใจแล้วความทุกข์นั้นก็จะหายไปแล้วเบิาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ส่วนใหญ่จะประมาทพลาดทลั้งได้ถึงต้องมือสติทุเรียบอทดังล่าวนี้เป็นต้อง ออกเหนือการจิตใาในปรัชนาสิากิปฐานข้อที่สามก้องคองให้ได้ทําไมเยกว่าจิตใจในปััชนาสิกิปฐานฐานของจิตต้องยึดในฐานพักนี้จิตเป็นธรรมชาติจิตทึ้นอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เหมือนเทื้อปะทิศเสียงเกิดที่ไหนปัญหาเกิดขึ้นภูมิพัฒ น, นาจิตต้องรู้ที่เกิดของจิตจิตด้วยอันนี้ตามกฎ ตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าจุดเกิดทางไหนเดี๋ยวท่านจะรู้วิธีพัฒนาจุดต่อไปด้วยจุดเกิดทางไหนก็เลีอกทางอินทรียาเจตนะข้าอินทรีย์นี้เองมีความหมายจะพูดกันภาษาไทยครับตาเห็นโลกเกิดจิตที่ตาหูยินเสียงเกิดจิตที่หูเพราะมันสัมผัสต่อโกได้จึงเกิดจิตที่ต่อโลิ้นรับรสเกิดจิตที่ลิ้น กายสัมผัสรอนี้ืหนาวอ่อนหรือแขงที่นางไปเกิดจิตทางตาก็เรียกว่าติตตานุปัจฉนาสติปตฐานวิธีปฏิบัติทำอย่างไรวิธีปฏิบัติทำอย่างรก็ทําอย่างนี้ที่มาของจิตรู้แล้วมันเกิดทางตาตาเห็นเห็นอะไรก็ตออั้งสติไว้จับจดไว้ที่หนาผากอุณนลลมมาปยาชาญาเตกดสมให้มันทุกข์เหมือนเรากด ตาไอเครื่องบวกเลขเครื่องหายไม่ชอบอดสมไม่ไถึงทูกและมันจะออกมาเครื่องคอไปเต็มจะไปออกมาอย่างนี้เห็นหนอเห็นหนอเห็นไรเห็นโลกโลกอยู่ที่ไหนแต่ภาพโลกเป็นอย่างไรโลกนั้นเป็นของผันแปรตัดกรอกหลอกลวงได้เยี่ยงด้ายได้ทุกประการเรื่าโลกเป็นเรื่องสมมติ จะเป็นเรื่องทําลายได้เกิดขึ้อนอมต่งตบบตางอยู่แกล้งวนดับไฟที่รูปกองกําหนดนอกระดบัตเจียทิ้งพอนี้ไม่ได้ในจุดการโฆษนาปิทธฐานเป็นธรรมาชาติของจุดเกิดที่ตาเกิดแล้วกําหนดไม่ใช่ว่าเราแสไปหากําหนดข้างนอกตาเนีไปที่ไหนมันเห็นอะไรก็กําหนดว่าเห็ น, หนอ๋อทําไมต้องกําหนดด้วยก็ราะจุดมันเกิด ตาสัมผัสกับรูปเปิดจิตในเมากอเปิดเช่นแล้วเหวนของเหล่านั้นเรายังไม่มีกัญญาเราชอบไหมชอบเป็โลภะไม่ชอบเป็นโทสะเราไม่ใช้สติเลยกลายเป็นคนโมหะรู้ไม่จึงรู้แต่ตาเนื้อไม่รู้ตาในโลดดูด้วยกัญญาไม่ได้เลยดูด้วยโมหะคนเราไม่จึงเลอะเทอะเถื่อน ใ, นใจดังที่กล่าวแล้ว ้องใช้สตินี่พ่อติดกามิกัอธนาผิประทานเป็นธรรมชาติั้งจิตกองพัฒนาอย่างนี้กองกำหนดทุกอิบทหูหยิงเสียงหูกับเสียงอย่างไรไกลแค่ไหนอย่างไรไม่ต้องไปประเมินผลไม่ต้องวิจัยห้าม้ามก็รเหตุไดเพราะมันจะเป็นยิปัสนุบันนึกขึ้นมาก็วิจัยการมีาตร์แล้วจะไ ม, ม่ผล เราก็ตั้งสติไว้ที่หูฟังเสียงหนอเราทำเฉยเฉยไม่ได้หรือต้องกําหนดด้วยถ้าเราไม่กําหนดเราจะขาดสติไอตัวกําหนดนี่เปตัวฝึกสติไอมือสติอยู่ที่หูจะได้รู้ว่าเสียงอะไรเสียงหนอเสียงหนอกาหนดเสียงเฉยเฉยได้ไหมได้จะไม่ดืได้หดบาย หนอตัวนี้เป็นการล้างจิตให้มีอกรติอดืมีความหมายอย่างนั้นคําว่าหนอตัวนี้เป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาฝรั่งไม่ใช่ภาษาไทยหอนอเสละอเรียกหนอดีมากเราจะบอกว่าเสียงหนอที่ยื่นมันล้างจิตได้ดีมากมือกรติดีในการฟังและลึกเสมอว่าเสียงเขาด่า เสียงเขาว่าหรือสสเสียงเขาสงนเยนยองจะประการได้ใอ้สัมัญญะตัวรู้ว่าเสียง น, นี้ของเด็กอเสียงนี้ของนังขอมาพูดเรื่องอะไรตัวก็ติกระแจงเบี้ยไม่เห็นที่พูดทําไมเขาจึงพูดคนนี้ตัวสัมัญญะมันก็บอ ก, กบเราว่าขอเขาพูดเนี่ยเพือ่ออกจฉาเรามาด่าเรามาว่าเรา แล้วาปีบวกสามัญญาเป็นตัวคิดของปัญญาปัญญาก็แสดงออกคอมพิวเตอร์ปีออกมาว่าเสียงนี้ไรเป็นเด็กเกิดเชื่อมตั้งอยู่แบบลูกไปทันทีที่รู้เลยก็ไม่ต่อเนม่ยังต่อมาในภายในคิดเราก็ไม่มีการเข้ามองใจกเข้อบคิดนี้เพราะงั้นนักปฏิบัติจะกําหนดนี้ไม่ใช่เดินจงกรมนั่งปฏิบัติของหมอยุดหนอใช้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้น ตงนั้นเป็นตัวสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีพลังจิตของข้อพิกของวิทยาศตร์ในยามอื่นประการหนึ่งต่างหากผู้ปฏิบัติต้องเริ่มก้นด้วยอายบ ท, ทต่างๆทั้งจิตจิตเจือจั้งหูถ้าเราสร้างเครื่องโดยดีแหวกสร้างข้อมูลถูกสร้างระบบถูกข้อมูลในจิตคืออลรมหณ์เวลาเก็บไว้นานนักหนาแล้ว ที่ขายไม่ออกแข่งไวในอารมณ์ิโลภะโพสะโมหะทำให้จิตใจเข้าหมองไม่พานานไม่ฟังใจซึ่งก้องก้อหนอดอย่างนี้เสียงหนอเสียงหนอไม่ใช่เท่านี้พอเนะเสียงก็ด่าใช่แล้วถ้าเรามือสมาธิดีจะสมหน่วยจิตสติประฐานสูรดไว้ชัดเจนเสียงหนอก็รู้แล้ว ขอเขอด า, าด่าเราด่าเราตรงไหนมีตัวตนตรงไหนบ้างถีงเราจะถูกด่าและเจ็บํำน้ำใจคนนี้เราก็ใช้ปัญญานี้เองฟังขอเขอดาด่าด่ามาโดยสมมติว่าดาา่าเราคิดว่าอย่างนั้นแต่เราอยู่ตรงไหนก็หาตัวเราไม่ได้ตัวเราไม่มีอย่างนี้คือปัญญา ไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลแต่เป็นโดยสมมติขึ้นมาที่เขาดาเท่นั้นแล้วก็แพลตัวเปลี่ยนแปลงสภาพของมันและก็หลุดไปดับมูกไปสี่ฟูอันนั้นก็หมดขึ้นไปนี่คือตัวปัญญาณน้ปฏิบัติต้องกำหนดทุกอริยบทเป็นการฝิดเป็มการดับนิจใจให้ครยสูตรไม่หมายก็ไม่มีปัญญา ถึงความเคยชินจากกาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ผู้ย่างนี้ไทยก็ทําได้ไทยก็รู้แต่ปฏิบัติจริงๆไม่ได้เพราะไม่ใคยกําหนดเลยปลอยมันเลอยไปหมดลอยๆก็ามาถึงจิตใจในทายในจุดที่ประตูต้องหกท่อพอมาถึงห้องในที่นอนของเราแล้ ว, ลวโจนแก้โจ น, นด้วยก้าชนด้วยกัญยาแต่ไาปัญหามไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ที่จุดนี้ตอนจุดสัมพันธแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเอาไปชิ้นหมด ไม่เคยปฏิบัติจุดนี้เลยเน่อใจจะกล้องโดยเป็นกร้องกล้องท้องหน่อยุดยหนออย่างเดียวเต็มไปไม่ได้ไม่ชอบกอติปัญญาปฏิบัติในในข้อจิตใจนิปัญนาสติปัญญาจุดตอนนี้เป็นข้ออิงใจหนา้าจิกใจงานที่ต้องรับผิดชอบยื่นกวามกำหนดเสียงหนอเสียงหนอถ้ากําหนดไม่ทันมันเลยจะดีุสล้วไม่เคยเขา้ขามาในจิตใลเคยโกรธ ตัตั ว, วที่มาทำผีทําอย่างไรจะไปเสียงหมออีกไม่ได้ก็กำหนดตัวสามัญญากำหนดที่ไหนค้นหาเกิดขึ้นกำหนดที่ลิ้นเปบางทีไปสอนไม่เหมือนกันใช่ไหมหลับหููหลับตาว่าทรงเดชไปเลยมันก็ถูกจุดยังไงกดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถูกกดไม่ถูกจุดแล้วมันจะออกมาตามที่เราต้องการไม่ได้นี่สาคัญผู้ปฏิบัติเน้นในข้อนี้ให้หมาก ต้องกดที่ล้นตัเองแต่อาถรรพ์ที่ยอย่างไรนั้นจะไม่อธิบายทีน่นี่ขอให้ท่านโง่ไว้ก่อนอย่าไปฉลาดตอนทำปฏิบัตินี้เดี๋ยวจะไปคิดเองพอขึ้นมาเป็นอะไรของกลอมไปเนะี่ยจะได้ของไม่จริงไปอย่ามีกันท้อเพรากว่าเรามันมันเลยไปใช้อดีตแล้วขอคำนวณที่ิยามเยอะถึงรู้ไว้ก่อนรู้ว่าอะไรก็ยังบอกไม่ได้ทำใไมจะรู้จึ้ง ทุกสิ่งก็ประหนึ่งนั้นก็ที่ลิ้นตื่หายใจยาวหายใจยังไงบางองไปสอไม่ถูกตองังกตีไม้ที่ลิ้นตืดูลมหายใจกับอมูถึงก็ดืแล้วก็ตั้งกติแะที่ลิ้นตือนหายใจยารู้หนอรู้หนอ เพะมันเลยจะแยกไปอดีตจะประกอบอดีตปัจจุบันไม่ได้เพราะควาหนดตัวรู้อย่างนี้เป็กนกอดรับรองได้เยผลรู้หนอาอรู้แล้วไปโกรธไปทำไมไปโกรธรูปนามุไดไ้โกรธชายตัวกรดอดูอย่างไงตัวโกรดอดูที่คนโน้นเราทําให้เราโกรธตัวโกรอดไม่อยู่ที่คนโน้นมันอยู่ที่เรา อยู่ที่เราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่จกิดเขาเกิดความโกรธเอาไว้ท่าจะมีแต่ความเป็นพ่อมีแต่ถึกเจ้าหมองใจตลอดเวลาท่านจะไปเผปชิญมันมีปัญญาเป็นผู้แก่ปัญหาไม่ได้เลยก็สร้างปัญหาด้วยโทสะสร้างปัญหาด้วยถูกเวรสร้างปัญหาด้วยผูกยาบาปน้อยไปรู้สิละนี่ท่านจะต้องสร้างปัญหาแน่อย่างนี้เป็ท่อน การปฏิบัติเป็นการแก้ปัญหาเนะี่ยไม่ใช่สร้างปัญหาเหมือนตนเข้าใจกนะันแล้วมีปัญญานะี่จะเห็นน่องเห็นเหนื อ, อเห็นใต้เห็นอารมณ์เราดูอารมณ์จิตของเราดูจิตใจของเราตังหากอย่างมืกสะท้อนใครก็หมดอย่างนี้นหลันอนองนี้ามาบางคนไ้สก็ไม่ถูกโรดหนอโปรดหอ้จะเอาจิตสังไหนเอาสติไว้จงไหนภาคสุดไม่ถูกเลย กดเพื่อนคอมพิวเตอร์พิสใครกดตมไม่ถูกเออนก็ออกมาแบบอย่างนั้นเองกว้างจุดในจึงไหน่ก็ไม่รู้นี่สำคัญนะไอเห็นหนออย่าลืมนะทรงกระแสจิตฝังในที่มาพาไม่ใช่หลับหูหลับตาว่ากระซองใครยังน้องคนองนี่จะไม่ยึดพังที่กล่าวมานี้การท่านทํา้าที่ธรณีเหนียวแลรับรองได้ถึที่กดสําคัญไม่ตัวปฏิบัติไม่ทํา มันจะเป็นกิจกรรมได้อย่างไรล่ะมีเห็นหนอก็ต้องส่งกระแสจิตสัมาผากออกไปนะเพราะว่าเราจะสังเกตตัวเองได้ทุกคนคารรู้สึกจอมารวมอยู่ที่หน้าผากหมดเรียบร้อเขาขาเจ็บเขาเรื่องงูเรียกแล้วก็มือแสง น, ทาานทะที่หน้าผากนะอาจารย์นี่มาสาธิตบายแล้วจิตสั้นสูงก็จเห็นเองวาดูหน้าคนนะดูตรงไหน ดูตรงไหนอ่ะหัวเห้งมันอยู่ตรงไหนอย่าลืมตัวอูเสือมาพูดหลายคงยังไม่มีทายทีปัญหาได้เลยคุณนลโอมาไประาชายจะเตะมนเป็นการส่งกระแสจิตวิญญามากในศูนย์สมาธิไมเวลาจะแก้ปัญญาได้สาหรับตัวตนบุคคลปฏิบัติไม่ใช่มานั่งเห็นนิมิตถามกันไม่พักเลยหลวงพ่อคะ ฉันมีนิมิตอย่างนี้ฝันอย่างนี้จะได้การอะไรไม่ต้องมัดถามเนี้ยฝันกลอมก็ดีจิตอุปาทานยึดมั่นกับฝันได้จิตโกรธก็มาฝันได้เรี่ยงร้ายตลอดเลยการลองดูนะถ้าจิตฉั้นโกรธถูก พ, พยาบารเกินจะฝันร้ายลายจฝันหนือกรลบพุ่งชิงทช่ไหมครับเพราะจิตฉันโกรธออกมาเป็นความฝันได้เป็นนิมิตที่เลวร้ยรายได้เพราะจิตมันไม่ไดี ถ้าจุดดื้อมือสติหรือฝันต้องเชื่อเรืเ่องจริงได้ฝันนี่เปเรื่องจริงเพราะเราจิดมันเฟื่อจิตฝันเจ๊เฟ๊่อจิดมันปลอมจิตฝันปลอปลออกมาอย่างนี้พอคนมาถามนะบางทีอาจารย์สอบรมเห็นอะไรย่างเห็นนอนเห็นี้ไม่ต้องไปถามเขาอย่างนั้นนยถามว่ากําหนดหรือเปล่าเวิทนานเนี่ยเกิดขึ้นกําหนดเป็นอย่างไรพอถามอย่างนี้จะถูกกล่องมากกว่า ไม่ต้องถามเดี๋ยวก็ไร้ปแมวก็าทำลายอย่างนั้นยันนี้เป็นตอนนี่มีความหมายในการปฏิบัติมากเพจะนั้นปักจุดให้ถูกปักให้มันถูกกดตบให้มันถูกเหมือ น, นท่าต่างหลายพิกโลก็มีเครื่องพลิเกเล็กลองกดถึกมันก็ออกมาถึกขากดถูกแต่ไฟฟ้าทันหมดแต่มาที่ไม่มีเลยกดยังไงมันก็ไม่ออกมาตามรูปแบบนั้น ต้องมีสมาธิสมาธิคือจับสุดงานถ้าเราไม่วางกีระหรือการกำหนดจุดให้อยู่ในตัวเดียวการอย่างนี้กระแสไฟแต่กระแสไฟมันบกค่้องไฟไฟไม่ได้กาหนดอดมาถึงตรงนั้นแต่ไปทอดเทื่องเขาไม่ดีไม่ได้เทื่อนเขาดีแต่เระบบไฟไม่ดีคือไม่มีสมาธิอยู่นั่นเองนี่มีความหมายอย่างนั้นด้วยการจะจับสุดให้ถูกอย่างนี้นก็ต้อง สาหัสว่าเราไม่รู้จะกำหนดอย่างไรไม่รู้เลยว่าจะกำหนดยังไงก็เอาความรู้มากำหนดที่ลิ้นเตอร์คิดไม่ออกเลยทำอย่างไรก็ทำแบบเดิมมาจเจออดีตไปแล้วคิดไม่ออกไม่รู้จะบอกได้อย่างไรก็ทบทวนทบทวนทบทวนอาจารย์าทบทวนดูหนังสือก็ต้องไปดูซ้ำเดี๋ยก็ทบทวนหนังสือ คาทบวนอารมก็ต้องไปกําหนดอย่างนี้หายใจยาวๆนั่งท่าสบายหรือตรงไหนก็ตามอยู่บนรถ ก, ก็ได้ทบทวนชีวิตทบทวนอาอมณ์วาลมลืมอะไรไปบ้างเ ก, ก็บของวางไว้ที่ไหนตั้งดูใมันลืมเลยต้อหายใจยาวๆมีประโยชน์มากกั้งสติไว้ทีนี้ไปดวงหาภัยเรียกว่าเจตสิก หายหายหายเยวก็เกิดอยู่ที่ลิ้นไฟลิ้นคือปฏิบัติวิ้ีปฏิบัติอยู่ตรงนี้เลยอดโตไม่บรรทุกหอยละได้หรืออย่างนี้กันเถะหายใจยาวทุดหน่อชุดหนอหายใจหยุดลึกยาวเข้าว่างเพราะทางปัญญาโตกัหมู่ของเราถึงจะเดินไปมีปัญญาขั้นยาวไม่เท่ากันอย่างนี้ อืกพระโทษเนินข้ามีือกระแสไฟครบคือสมาธิดีหลักฐานดูจเบหน่วยพิดารณาเดิน ม, มาท้องปกซ้ายจะเตือน ม, มาทันทีคิดออกแหละคิดอะไรออกคิดพิจารณาปัญหาไม่ได้ไม่รู้วิชาข้อไหนมาแก้ปัญญามันก็ออกบอมบอกเราเป็นเพื่อนพอลปีเกซอร์ไปออกมาสเสด็นอย่างนี้แล้วเอาไปใช้เถอะ ได้ประโยชน์มากพิชออกแน่พิชออกแน่นอนของไทยของมันต้องทําขึ้นมาสีปัญญากองทําให้มันถูกจุดนี้เป็นก็มีความหมายอ้ายืนหนอห้าครั้งขอให้คณะอาจารย์แม่ยายถูกเลือกไอเยือนหนอห้าครั้งเนี่ยทุกคนไในสายตาจากบรยากาศกรรมฐานฐานเดินกระ แ, แ่มนุษย์อยู่เกิดมาจากพับพาของมารดาแล้วมีครบ เกยขาลมาหท้าขาันตาตาโตตาโตทันต า, ส า, ส า, สานสาข า, า, าเลยมากเกยานี่ครบทุกเอกําหนวดทันอย่างไรปัญหาเกิดขึ้นก็ให้ผู้ปฏิบัติยืนเดินกรอกแล้วอย่ามาจํางึกทธท้าวหรือก็ลมไปเดินธรรมดายันธรรมดากับมือทายหลังก็ได้ดวงกล้องวาดมนโนภาพว่าเราเดินรูปร่างอย่างนี้เป็นมนโนภาพ พาสูงกลางเลยพาสูงกลางยไปถึงจ่าท้ายก็เริ่มก้อนว่าดืนจากที่สะกดที่สะเดย์ยืนถึงจดีแหละสต i ตามทันไหมนี่ทันตอขอสตีตมท่านเดินหมนตตามติดไปถึงถดถึงงา หนอจากสะดือไปปลายเทา้านี่วิธีจังหวัะที่แน่นอก็ะตือก็ตามจิตลงไปถึงปลายเท้าได้จังวะไม่ใช่หลับตาแล้วยืนหมอยโยนหมอนโยนหมอนโยนหมอนโยนหมอไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องพาพื้นกลางเข้าที่ปลายาเนี่ยนี่ก็คือเรื่องตามแต่ปลายาถึผมลงไปเรื่องบนน่าับปลายเท้าขึ้ น, น, นาามาอย่างนี้แต่วิธีปฏิบัติทำอย่างไรสอนจะไม่ถูกจกนี้เลย ยืนมโนภาพจิตก็ผ่านจากขมมุลไปสติตามสติควกคุจิตยืนถึงสดีละอกสติตามทันวักสองนอลงปลายเท้าได้จังหวะพอดีเลยลองดูนะแล้วก็รวมกลายเท้าขึ้นมาบนที่สะักสองยืนดูเท้าัดสอง ทางด้านตาอยาดูกตนาเยืนถึงจะเดินจดโูนตาก็ตีตามทานไม่ทานนาจากสะเดือขึ้นมาถึงกะหมอมพคดีนี่ใจจังหวะถ้าทาอะไรผิดจังหวะใช้ไม่จ๊ะไม่เดือพนบางคนก็หลับตายยืนเนาะยืนเนาะยืนเนืนนยืนเนอะไรยืนปากพูดากําหนดจิดไม่รู้สติไม่มี อย่างนี้ใครม่ได้ไม่ได้พ้นเลยหมื่นเปอร์เซ็นต์ขอเจริญพรอย่างนั้นรักสองยืนถึงก็ดีแหละขอสติตามไม่ทำ้าแล้วผิดมันไวมากเอาใ ห, หม่กำหนดใ ห, หมให่เช่ได้ไหมได้เปลี่ยนแปลนได้ไม่เป็นไรแ้วรวมใหม่กลับสายเช้าคุณมาหลับตา ม, มโนภาพ สาบสายข้าถึงจะดินเดินขึ้นมาเอาชิ้ขึ้นมาครบทวดเรียกว่าปฏิโลมโอลอมปฏิโลมเป็นขบอครอบลวดถึงจะเดินแล้วผาสูงกางขึ้นมาเลยผาลุ้นตื่ขึ้นมายืนหนอถ้าท่านมือสมาธิดึนะก็ตืดีงนะมันจะกล้าวแต่ทั้งขัวทั้งกายานี่ก็ที่ไหนสมุขก็ตื่ครอบทั้งกาย ต้องรู้จุกมุ่งหมายของมันด้วยเขาไปสอนจะให้ถึกก็คันยาเกิดจะรู้สักว่าทำว่ากายานุ ป, ปัสนาไปยังมันจะแจ้งสติมือทับในร่างกายในกายนี้ตายภายในก็คืออารมณ์กายภายนอกก็คือสภาว ะ, ม, ะ, าาวะมันเป็นลูกสภาวะมัเป็นนามธรรมกา็อ ย, อยู่ในภายในตัวกำนัมันจะสร้างออกมามีสมาธิภาวนา เห้นชัดในรูปแบบออกมาในรูปล่ลางของมันคือลูกกระทำนามาทำชัดอย่างนี้ห้าครั้งที่ห้าสมรวมที่ขอมอมมโนภาคสถิแแ๋วและห้าครั้งสถิตก็ตามจิดอาศัยกันได้โดยเดจตคติที่ล้มตัวหอวอยากเป็นตัวเจตคติจุดเป็นตัวที่ดัง่างนาน คิดอ่านอารมณ์ต่างๆได้อยู่ทุกชุดมันก็ลงไปอีกหนถึงปลายเท้าเลือมตาได้ดูปลายเท้าต่อไปคำรวมที่ปลายเท้าและาำนดขวายางหนอเป็นต้นขวาที่ไรคือก็คือระลึกก่อนนีดขวาซ้าย ่างเป็นตัวสำปะแข็ะรู้ว่ายางยาวสัน้นไปละหนอลงพื้นพอดีเหนียนจากทัดนหมายทำให้ใจจังหวะถ้าไม่ใจจังหวะเหมือนเราขึ้นบันไดผิดจังหวะตกกระไดไงไม่ได้พ้นอยงที่กล่าวนี้สําปัแมากนี่อย่างนี้ขณะที่เดินจกกมมือเสียงอะไรมาก็นหนดละเสะียงห น, น, ห น, นอพขณะเดินจกกมือเวทนาปวดเมื่อยจนพอยุดเดิน รยดเลินเลยเดินที่่อยกําหนดเวทนาไปเอาสภาความเป็นจริงมาแสดงออกว่ามันปวดมากน้อยเพียงใดต้องกานอย่างนั้นไม่เดยวกาหนดหายกําหนดต้องการจะให้ลูกมันปวดขนาดไหนเวทนานี่ทําให้ลูกอดเพ็ยงตามได้เราจะรูกก้อดเพียตามว่าทําอะไรได้ยังไม่ทาดได้อยู่ที่ชัวเวทนาเนี่ยบอกเขได้รู้อ่ะอันนี้จะมถาถามพิบาลเดี๋ยวมันจะเสียอารมณ์ เ๋ยวจะด้วยตัวเองเอาด้่ยตัวเองนี่ไม่ได้ต้องเป็นูดเองมันเกิดเองในจิตใจของเราอย่างนี้เันต้องมีวิธีทําแล้วก็ใช้ยาหมอผู้ปฏิบัติต้องเพ่งลงไปในจิตใจครับไม่จะตาเดินไม่จะเหงาดูดูตาฟ้าและหลับตาไม่เลือกต้องเพ่งลงที่ปลายเท้าดูที่ของลูกตาว่าโลภน้ำมันเคลื่อนอย่างไร คนทำงานกลางแล้วก็ไม่จ้องกาหนดอย่างนั้นก็ได้มันจะเดินไปาานถูกจังหวะของมันเองตรีรับอย่างนี้เป็นการแบบฝึกพัฒนาที่เดินเช็อออดอากเช็ดยศอย่าเดินเอาทีละอย่างกําหนดที่ลุ้นตีแล้วหยายใจยาวๆกาลังยืนเดินจะครบพุทธหนอมันจะเช็ดเอาเอาเหยื่อขนมามาตั้งบวกลบคูณหารไปตามรนดับ คิดหนอคิดหนอไอ้ฟุ้งชาที่ไปคิดด้านเดี๋ยวคอมพิวเตอร์จะไปหยอกอภิตกก็อ๋อไปคิดเลี่ยงหรือไหลรู้แล้วเข้าใจแล้วถูกกล้องแล้วเดินจะร้อนปะปะขวายางหนอใชอย่างหนอเดินให้ชาที่สุดเพราะพุทธมันเร็วมากพุดมันไวเหลือเกินทําให้เที่ยงโลง ทาไม่คุ้นเคยฆ่าเพื่อไวเ้เสียเพื่อได้กองจําข้อ น, นี้ไว้สัานๆเท่านั้นเองนี่เวีนาเกิขึ้นกของกหนดคิดออกก็กําหนดคุ้มสรางออกก็กําหนดกําหนดทุกอย่างยาวหลายอย่างมาพลนการประเพณีกระปากแค่ไม่ได้เลยก็ลู่กระเพรากระปากไปโดยคำนองนี้เป็ น, นต้อ้องรู้จึงรู้แจ้งเห็นจึงเห็นแจ้งเห็นไในใจเห็นอารมณ์หละกอย่างนี้จะถูกต้องมาก อย่าลืมหนอนนะอย่าลืมนะขอกำหนดให้ได้แล้วก็เดินตรียพ้มเสด็จนั่งภาวนาใอ้ว่าคลองหนอยุบหนอนนี่เป็นเป็นการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างสมาธิยักษ์สิ่งวัตล้อมจากติลปะนิภาชนะศิลษศาเป็นสิ่งที่มาของจุดเป็นสิ่งที่มาของอายนะนธาบิ น, าานทร์เป็นสิ่งที่มาของขันห้าลูกนามเป็นอารมณองรู้อย่างนี้เป็นอยา่างแต่ละอย่างไปไม่จะกําหนดจันนัยเลย กำหนดอยากกำหนดโน่นกำหนดนี่มันจะมากไปเอาจะน้อยก่อนเพราะเดี๋ยวก็เจากำหนดไม่ได้เอาตัวอย่างตัวอย่างไปเดี๋ยวก็ได้ดีเองแล้วค่อยกำหนดก้อนจุดทีหลังก้อนจุดคือตัวอยากอยากหยุดหนออยากหยุดหน้อนี่ก้อนจุดี่เจจะคิดเอาไว้ทีหลังก่อเป็นไปไปก่อนแล้วค่อยถามฝึกให้มันได้ขั้นตอนให้มัได้จังหวะก่อนแล้วค่อยกำหนดละเอียดทีหลัง ถ้าเรากำหนดละเอียดเลยท่านพอนไม่ได้ก็เป็นผู้ปฏนึกเลยก็พรองยุค ก, ก็ไม่ได้เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเสร็จแล้วท่านอย่าไปทํางานอื่นทำให้ติดต่อกันเหมือนล้อเส้นได้ออกจากลุกล้อเดี๋ยวขาดทำให้มันติดต่อไปนั่งสมาธิจะขัดสมาสครั้นกระดาษชั้นเดียวก็ได้หรือสองชั้นขัดสมาเช็คก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่จะืังพับแต่ประการใด มือขวาถ้ามือซาหายใจเข้ายาวๆก่อนอย่าเพ่มกำเนิดกองยุบหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆแล้วถ้าเกิท้องหายใจเข้าท้องจะพองไหมหายใจออกท้องจะยุบไหมไม่หหอมเอามือจับดูเอามือคลำที่สะดือลไปที่ในาของเราแล้วหายใจยาว ท้องพองเราก็บอกว่าพองหนอยกหนอให้ใจชงวะใหม่ๆอื่นอักมากเพราะเราไม่เคยกองทํามให้ได้ไม่ใจท้องหนอยกหนอเอาเสีปากเนี้ยจิใจทําไม่ได้อย่างนี้มันอยู่ที่จุดนี้กองทํามไม่ได้บอะคนนี้มีจังก้อนนี้มันมากไปมากเลี่ยงเอานี้ก่อนเนะอันนี้ก่อนเราให้ใจเข้ายาวท้องพองข้อหนวดท้องไม่ชันหนอยก ยกแล้วมาทาหนหมอทองสุตยญญานี่คือปฏิบัติทันยังไงซีกีแก่ทองเพ่มเพื่นเชื่งลองดูทองแล้วก็หน่อสะเพิ่มหนึ่งทองสะเพิ่มหนึ่งลองดูสำหรับตัวเราทุกคนถ้าทองขึ้นมไม่ได้หนอไม่ได้เอาใหม่เปลี่ยนใหม่ได้ <c oughs> เปลี่ยนยังไงทองหนอไปเลยยกแล้วลงหนอยาวไปเลยเดี๋ยวท่านจะทําได้ไม่ขัดข้องไม่ยึดหน้าแน่ไม่ไม่เนีอ่องเป็นธรรมดา พานั่งไม่เห็นมือขาไม่ได้นอนลงไปเลยนอนเหยียดยาวนอนหงายไปเลยเอามือประสานท้องหายใจใหญ่ใแล้วก็ว่าตามมือนี้ไปทองหนอยบหนอให้คร้องพอคร่องแล้วไปเดินจะกลมมานั่งหมายเดี๋ยวท่านจะทัดเกือนมีวิธีแก้วิธีไขวิธีปฏิบัติให้ได้จังหวะอย่างนี้เป็นยอบมีมีความหมายเยอะเกินถ้าท่านโกรด กำหนดเลยไหมข้าพัานรู้สรึจอยากได้ก็กำหนดเลยรู้สรึจเกลียดชายก็กำหนดเลยตอนนี้คือแก้ปฏิบันไม่ใช่การแก้ปัญหาจุดจบโหขยาบาททัยก็ต้องกำหนดทีนี้อย่าปล่อยมันข้างคืนปล่อยมันเลยไปเข้า ถ, ถ, ถึงจิตใจเหมือนโจรเข้าไปในห้องไหนฉะนั้นมันก็ช่วยเราได้เราก็ต้องยอมกันเงินมาโดยทีนี้เปิ ก, ก้อน กระดแล้วก็แต <ations> ่ปัญหาดูนี้อย่าไปขาดไรไปแก้ตรงนี้ล <conservative eles> ูกครามถอยก็าไหทํครามแม่ใจเข้าหมองก็หลอดกินยังลูกกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียวลามากถึง็จก็แต่เดี๋ยวนี้โกรธนองโกรธนองหรือปักจุดไว้ทีลิ้นเตือก็ตีรวมไว้แล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์มันจะออกมาอ๋อไปตรวจก็จะไม่ได้มันจะบอกเขาอย่างนี้ใครบอกอารมณ์อยาบอกจิตบอกก็ตีบอก ปัญญาบอกสรุปเหลือปัญญาบอกเราจะรู้แก้งถึงจริงเยินเพราะว่าปัญญาบอกกอนเหมือนอย่างตัวเราบอกเองเดือคนอื่นมาบอกเราเราสอนตัวเองเดือคนอื่นมาสอนเรานี่มันจะเห็นแจ้งพัดเจนมากโดยโอกาสนี้นี่กําหนดจะนี้กําหนดเวทนาถ้าหากว่าของหนอยุดหนอเกิดเวทนายุดของยุดเมืเอาจุดตักไว้ที่เวทนาเอาสัติกตาม ไปดูที่มาตรวจแค่ไหนมันจะมากน้อยเพียงใดไม่ใช่กําหนดปวดหนอยแล้วหายเลยมันจะหายมันยังไม่หายมันยังไม่เป็ น, น, นยึปัจฉนาจะเป็นสมถะมันยังมีอุปาทานยึดเวทนาอยู่เหมือนท่านทั้งหลายเป็นไข้เขาจุดไปขอาะที่ไข้จุดท่านก็เป็นไข้ไปด้วยอย่างนี้แหละทั้งหลายโต้กล้ายังแย่ถูกน้ำยังไม่ออกอยากเวทนาไม่ออกก็ต้องยึดอย่างนี้ก่อนเพรายึดปวดหนอย ออยุ่งปวดหนักเอานัก้ายตา ย, ายปวดหนอหนักจะแตกแล้วจะแตกแล้วทวนไม่ไหวแล้วอ้นนีนน่จะล้อนเป็นไฟแน่หนามแของอ้นแนแ่ทนไม่ไหวแล้วตายกันตายก๊อหนอดใจก๊อหนอดใจสมาธิดืสติดือ้ไอไเวทนาเกิดขึ้นจับาตาบับไปจ้าหมายวัดไปกาบใจนี่แยกเวทนาดได้แยกรูปแยกนามได้ใช้ได้ แต่ในไมายที่ยังแยกไม่ออกมันยังก่อกันอยู่มันยังปวดไม่รูจักหายขอให้ท่านอดทนฝึกสอนในอารมณ์นี้ด่าแต่จะนั่นการเจ็บเลยเว้ป่วย่ายจนจะแยกแยะเขาติดออกเชื้อกับป่วยฝึกไม่ป่วยไม่เป็นไรนะทั้งท่านฝึกไปป่วยจะด้วยเลยก็หมดทั้งตายทั้งใจหมดอะไรจะอยากอยู่จนจุดนี้อันนี้เป็นเรื่องทั้งท่านมากความกำหนดอย่างนียืดมีความหมายขอท่านนวด ง่วงนอนเลอเกินง่วงเลอเกินถ้ากาหนดง่วงนอง่วงนอนแต่ปากหายไม่ได้ทาไงล่ะจะกาหนดได้กำหยังไงจะไม่ง่วงําหอดยังไงเาจุดประดินนรมมาประดชาเต้ง่วงนอง่วงนอนง่วงนอง่วงนอรวมจุดดหวเฮือ รับรองหายง่วงกะทินี่ต้องวางให้มันโูกเลื่องกันสิไม่ใใจกําหนดจะปากนะแต่ไข้ปัญหาไม่ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าเรานอนไม่หลับก็ ส, ะสะมาที่ดีนะแต่ไม่เรื่อยเหตุอันใดไม่ทราบมานันนอนไม่หลับหายใจยาวๆนอนเลงปะหมายถึงว่าหน่วยศึกดีแล้วสะสมไว้ยมากแนละ้วหลับทันทีนะเอาวางศินไว้ที่ไหน อตมไงขอจิตว่าที่ลูกกระเดือกเขากสติว่าที่ลูกกระเดือกหายใจยาวๆหายใจยาวๆเอาจิไว่ลูกกระเดือกที่ขึ้นน้ลายกลางสติไว้เดี๋ยวท่านจะหลับถอยไปเลยหลับด้วยนี้สติด้วยทิศตัวถี่ช้างรู้หมดเลยไงอย่างนี้เป็จตอนแล้วผู้ปฏิบัติเดินก็ทําได้เดินก็ทําได้ทําได้นอนก็ทําได้นอนทําอย่างไร พนังไม่ทนก็นอนลงไปท้อท่านอย่านอนหลับนอนกําหนดท้องหนอยุหนอห้องนอยุบนอถ้าท่านนี้ก็ติดเบืสมาธิดีปัญญาเกิดท่าจะหลับโยบลงไปทางท้องยกกลับให้ได้ถ้าจับหลับได้จะรับรองท่านจะพิกตัวอีกครั้งจะตื่นเวลาไหนได้ตามเหมาะสม จะเตือนตื่นขึ้นตื่นขึ้นจะรุ่งขึ้นมาเตือนทันทีแต่ปัญหาเมื่ออันเดียวเตือนจะลุกเล็ดเปล่าจะลุกขึ้นมาเล็ดเปล่าเตือนแลแต่ถ้าไม่ลุกใครจะนอนต่อนี่มันมีปัญหาเหมือนกันงั้นการเคือนเช่อย่างนี้นี่ต้องวางศุกให้มันถูกนะขอเรียนพระอาจารย์และเรียนคนะอาจารย์หยิ้ทผ่าเรียขอให้ถูกจุกนี่ให้เหมือนกันนี่วางปมนี่รับรองได้ เห็นหนอเห็นหนอถ้าเราเดินหนอได้รู้จากถามว่าอารมณ์ข้อหลักในตัวเราจากลายเท้าเึ็นมาจากลายผมงวงปลายเลยฮะครับเห็นหนอมันก็เห็นได้จากลายผมงวงปลายลายเท้าลายเท้าเึ็นลาผมเห็นคนอื่นก็ไม่เห็นตัวหลักแล้วจะรู้ว่าคนนี้มีสายไปอย่างไรทัานพี่ขอให้โงงกระแสจิดออกที่หนูเพื่อโงกระแสจิดที่วางคิ้วทั้งสอข้าง มองออกไปเห็นหมอเห็นอย่างไรเห็นนิปัญญาคนนี้เราเกิดสัมผัสกับคนนี้ขึ้นมาเห็นหมอเห็นโลกเห็นมาเห็นนี้เดินก็มาแล้วพร้อมที่เจ้าจะตีออกมาเลยว่าคนนี้เพชรนะนุ๊กใสไม่ดีสัมผัสแล้วเกิดสติปัญญาทันทีคนนี้เดินก็มามาทําไมอ๋อทราบแล้วก็สะสุชาแจ้งบอกให้เราเข้าใจ สามัญญาก็รู้ตัวเราคือปัญญาตัวเดียวคนนี้เข้ามาจะขอยืมเงินรู้แหละปัญญาตัวรู้จะผักดันให้คองพี่เตอร์เชื่อมาอย่าให้ยืมออกมาแล้วตอนันหน้าประตูบ้านคนนี้ตอนกู้เป็นจะตูตอนทวงอย่าให้ขอจะในวันนี้วันเดียวเท่นั้นนี่มันมีประโยชน์ไหมเนี่ยสองครั้งทำไม่ได้ปฏิบัติกันนอกรูนอกลนอกลางใช้แยอะ เลยโล่ไม่เชิงอย่างนี้นะโล่ไน่เชิงบอกค้นหน้าขงอบละงอกไปโงอกมาโงอกมางอกไปสมาธิดีขาดสติบอกค้นบอกยานมาแลี้ยโยบลงไปแล้วใจก็แม้โสดเลยอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยนสะมาธิดีขาดสติใช้ไม่ได้ไม่มีสติเลยนะั้นหน้โงอกไปโงอกมาพอตำรวจรู้เนอะรู้หนอะ รู้เนาโอ้ยรู้แล้วไม่งอกเลยโยมทั้งหลายจะเห็นคนในรถยนตนั่งหลับโงอกไปงกมาถ้านั่งมีอสติฉันเป็นคญยาดีจะไม่งอกจะหลับอย่างสบายจะไม่ไหวตึงกับโดยการทั้งปวงนี่เห็นครับพรนที่โงอกไปงกมานั่งงอกไปงกมาไม่ใช่ยานขึ้นไนงะยานคงไปเงมาแล้วขาดสติมากเอาทำนายจะหายโงก ก็ยอมหลอดเชื้อโงกหนอหรือเอาลูหนอก็ได้พามันไม่หายกดเ็ษไว้ทีกายสะดือของมืกนี่วิธีแก่กดไปลงให้ลึกให้กายสะดือของมือกาหนดลูหนอเดี๋ยวหายโงกของทีไอโงกงุบหนีหายเลยกลับเสร็จได้ถึงนี้ในธมาก็ต้เขียนเรื่องตำราคู่มือละ บางคนเนี่ยจะได้มีเถีองวิชาการสอบอารมณ์หรปฏิบัติสอบอารมด้วยไม่จะไปเสานไม่ส่งเดชแล้วปฏิบัติไม่ถูกจดมันก็มาเดืดท้อนเหมือนเราไปกดเครื่องคอมพิวเตอร์พลิกพิจมอมเอาไปขูดมันพิกไม่มีข้อมูลเพราะการเจริญวิปัสสนาการเดินจงกรมการนั่งภาวนานี้ยเป็นการสร้างข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เือครอบคัวนั้นล้อมจิตให้เข้าข้อเพื่มีปัญญาแล้วอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพราะถึงเวลาเคืองคอมพิวเตอร์มันก็ตอีออกมาแก้ปัญหาอย่เองของไทยท้องมันเครื่องไทยเรื่องมันนะมันจะเหมือนกันอย่างไรละของไทยท้องมันข้อมูลนี่การเดินจงกรมเป็นการสร้างข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการสร้างคุนชื่อเล่นลับ ที่จะจักสายซื้อให้แตกให้แยกกันได้และข้อมูลจะเก็บไว้เอการเดินตรงกลมการนั่งภาวนาแต่เราก็ไม่ทราบว่าปัญญามีได้หรือม่เป็นการเก็บข้อมูลสร้างเพื่องคอมพิวเตอร์สร้างข้อมูลไว้ในเครื่อถึงเวลาแล้วมีข้อมูลครบเราจะกดตรงไหนมันจะออกมากด้ขุมนี้ผป็มที่จะแก้ปัญหา ถึมีทุกข์มียากมีวันบากขึ้นมาคอมพิวเตอร์จะตีไปตามท่านตอนโดยอัตโนมัติไม่ต้องคำนวณก็ได้เพราะเราถึงถึงท่านแล้วดันถึงทื่อความความดีถึงท้านแล้วมันจะตีออกมาเองในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้มันจะบอกเลยว่าเราจะเดินทางไปไหนจะมีความสุขสบายเท่ากันได้คอมพิวเตอร์จะตีออกมาว่าเบินทางให้ระมาระวังจะต้องมีปัญหาระหว่างทาง เราก็เริ่มสร้างความไม่ระมาดระหว่างทางถึงจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมันก็หมออย่างต่าเพราะไทยเราคอยระมัดระวังไว้มือระโยน์มีการเจริญ ม, มีัาษนาลึกเกินบางคนไมน่อาสอนถิ่จุกจะหมาขอให้ผู้ปฏิบัติทำทำสุดนี้ทังหลายจะดูได้คุณลอมมานะผากนี้ดูคดเห็นหนอไม่กองไปสร้างฆ โดยที่ว่าเห็นคนโน้นอย่างไรเห็นอือย่งไรปสร้างงั้นใช่ไม่ได้ต้อสอบประการเหินอะไรก็ว่าอย่างนั้นมันเกิดจะจำเป็นก็เหินเราก็กําหนดทันทีไม่ใชเสื่ออกไปเห็นเขาว่ากาหนดสวยกําหนดรวยกําหนดอะไรไม่ใช่เนี่ยข้อสอบประการเฉพาะปัจจุบันทันเท่านั้นอายเด็กไม่เอาอนาคตไม่เอาเท่านั้นปัจจุบันเป็นการสร้างเสริมข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร แล้วกดตูมไหนที่สูมน้ำก็ออกมาตามข้อมูลนะ น, นั้นข้อมูลก็คื อ, อไรที่ต้องได้เจอสติขันธ์ะครบถ้าสติขันธ์ยะครบแล้ว้อนข้อมูลที่ก็แสดงออกตีออกมาโดยจิตต้องถ้าข้อมูลไม่ดีก้อนไม่ถูกอารมณ์เราไม่ดีก้อนผิดหมดออกมาผิดอย่าไปโทษเ พ, พืเอพเ่อนคอมพิวเตอร์เขาเพื่อนคอมพิวเตอร์เขาเป็นธรรมชาติแค่รับป้อนทีเดียวอารมณ์เราไม่ดี อย่างนี้เป็นก้อนแล้วออกมาเสีอหายมากหลายดังที่กล่าแล้วนะฮะก็ขอเจ ร, ริญพรญาติพี่น้องผู้เข้ามาปฏิบัติเรื่องชัดขออย่างเดียวอยากคุยกันอยากมึงเจอนะื้อหาไปดูเอาให้มันรู้ให้แจง้งชัดโดยตัดจักกลาง้วยคนอื่นไอ้นั้นเกิดเองของเกิดเองนี่โดยธรรมชาติไม่มีอะไรวิเศษวิโสใครเลยนะให้มันเกิดขึ้นมาในพทุทธ่จ้าภาวนา โดยเองเนี้ยเป็นของที่จะต้องแจ้งถึงใจเราเองและจิตใจเราก็ละได้พยพได้ละที่ทีมานะได้เพราะเราเห็นวิจัยอย่างนี้เป็นก้อนเลี่ยกว่าปัญญาแถมเล็กปักลงไปที่ภาวนาเพราะอาไรเป็นคนง้อย่าทำเป็นคนฉลาดขนาดปฏิบัติอย่าประเมินพรอย่าวิจัยว่าอะไรเป็อะไรแตามมา่นักวิชาการมากนักท่าปฏิบัติไม่ได้ ผมปรารถนานอย่างแน่นอนเอาโง่เไว้ก่อนเจ็บําหรับตาลาเจ็บใส่กู้ไว้ก่อนเอาตำลาที่อยู่ในจุดที่มันขาดการดูแลมานานขาดการควบคุมมานานและการดูแลนี้จะยากอยู่เราะปล่อยจิตไปรามยถาตามปลอยกามตะมิงตะบอลไป ต, ตามหงืองทางจะใช้สติืปัญญาแม้แต่ห้าหนาทียากขาสตินหนึ่งปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นโดยวิธีนี้ ขอเจริญพรญาติพี่นอผู้ใคร่ทำสำมาปฏิบฏัติหน้าที่ตามก่าวนี้รับรองว่าจะมีปัญญาพรในปัญญาขยันไม่พักพนที่ขาดปัญญาจําไม่ขยันจกไม่ทํางานเรื่องคอมพิวเตอร์ก็อยู่เกิดกลางในชีวิตจิตใจขั้งตอนายอะไรก็ผิดพลาดทาอะไรด่วนเดาก็ผิดด้วยผ่าคะนก็ผิดด้วยเพราะ การนี้เป็นการกำหนดเป็นการปฏิบัติเป็นการพาเฉลยได้ถูกต้องเพราะอารมณ์พวกเราเคยสัมผัสวัดสื่อเข้าออกให้ถูกต้องเคยสัมผัสกับคนนี้เป็นอย่างนี้เคยสัมผัสกับคนหนึ่งอารมณ์อย่างนี้ต้องใส่อย่างนี้เอื้อหามตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายแล้วคลายชื่อจกรับผิดชอบประกอบพิศษณได้ผลนานเป็นหลักฐานที่าทตาน่นี่มันอยู่ที่ตัวปฏิบัติ มาเดี๋ยวดูที่ไปอ่านนังสีอได้มาไปวิชาการแต่เราก็ต้องเรียนเหมือนกันต้องรู้ไว้และการปฏิบัติคทบทวนแล้วต่อมาดูวิชาการถ้าสนจะแม่สนุกติดใจท่านจะสา ม, มารจะขยายความไปวิชาการได้ไดีมากเสริมวิชาการถึงเพื่อนบางจุดนี้พอที่มาชี้แจงเรื่องต้นมาก็ขอให้หนักปฏิบททัติรรมกินน้อยนอนน้อย ทำความเพียรให้มากกินน้อยพูดน้อยด้วยนอนน้อยด้วยทําความเพียรใหม้มากการจะได้ของจริงจิตัวไปอย่าทําของปลอมเพราะปลอมเนี่ยมันชอบสบายไอ้ของจริงนคนไม่อยากได้เพราะมันทํายากงั้นของต้องได้มันมีความลําบากของอดทนของเึกฝอนม่ใช่ของจริงในห้องกรรมฐานเพราะใช้ชีวิตจริงนัละตั้งแต่ บ, บัดนี้ ทีแล้วยูบ้านเนี่ยสบายกันมามากมันเป็ของกลอมเป็นของที่โยโยเป็นของที่ให้สบายให้ความสบายเนี่เป็นของกลอมความทุกข์ความยากควาบากเป็นของจริงได้ทุกสิ่งทุกได้มาจากทุกข์ขยันได้มาจากที่เกลียดมันมีความที่เกลียดก่อนและเราขยันก็ได้มาจากที่เกลียดร่ารวยสวยดีมันมีที่โตก็ได้มาจากความจบคือไม่มีอะไรเลย เรามาสร้างมาทำเพื <dialect> ่นมันก็รวยมันก็สวยมันก็ดีมันก็ได้มีปัญญามี่แหละเพ่อนทั้งหลายเลยทำมาเกิดทุกข์ไม่จะความโชคความโชคที่แน่นอนมีที่ไหนได้ก็และนอกเหนือจากพระบรมโชคพระมีฐางนความถึงในโลกมนุษย์มือจะเชื่อฟ้อนหมดไม่มีของกินเลยมีแต่ของปลอมเยอะยุกมีแต่ของที่เป็นของเจ้ มี่เรามานั่งกรรมฐานในก้องกรรมฐานมาใช้ของจริงกันแสดงออกของจริงทั้งนั้นแต่เราจะทนรู้ของจริงมมหรือไม่เป็นกามใดเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายแต่ละลายไปเพราะฝากไว้อย่าหวังความสบายเล ย, เยความทุกข์ความยากเหมือนพระเอกเลี่องละพรชีวิตนางเอกเรื่องละพรชีวิตตั้งแั่เกิดมากระทั่งตายความส บ, สบายไม่ได้เลยนั่นแหละท่านจะพบพบอุดมการ หังจากพบอุดมพระตรีจะมีพัญยาสูงแน่นอนที่สดจะมาที้แจงมาพอถึงแพร่แล้วเป็นตรีก็จะมาตลอดมาไม่เคยเด็ดพักเดี๋ยวก็ขอโอกาสลงพระปฏิโมในวันจารุตศรของพระปิสนสีซ้องในโรงบอสดนี้ขอขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมจงงอกงามไพ่โ์ในิจกรรม ถ้าปฏิบัติธรรมทางธรรมุรศัสตร์นะขอทุกภาคเลื่เดินท่านผ่านภูลักษณ์อันดามเทาะแซงอุัสาห์ทลายทุนฝั่งฟ้าถือความเฉเด็จคือนุษยานโดยชั่วนานัน่าโอกาสบัดนี้เพิ่ม